4. การประพฤติสุจริตหรือสมะจริยาทุจริตเป็นสิ่งทำลายตนทำลายผู้อื่นทำลายสังคมอย่างไรสุจริตก็เป็นสิ่งส่งเสริมตนผู้อื่นและสังคมอย่างนั้นความประพฤติฝ่ายชั่วเป็นสิ่งทำลายความประพฤติฝ่ายดีเป็นส่วนส่งเสริมฝ่ายชั่วเป็นเหตุแห่งทุกข์ฝ่ายดีเป็นเหตุแห่งสุขสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ในปะหานะภาวนาสูตรอังคุตรณิกายทุกนิบาศว่าท่านทั้งหลายจงละอากุศลเสียเถิดเพราะอากุศลเป็นสิ่งที่ละได้ถ้าอากุศลเป็นสิ่งที่ละไม่ได้เราก็จะไม่สอนให้ละแต่เพราะเป็นสิ่งที่ละได้เราจึงสอนให้ละอันหนึ่งเล่าถ้าอากุศลที่ละแล้วเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เพื่อทุกเราก็จะไม่สอนให้ละเช่นกัน แต่พระกุศลที่ละแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อสุขเราจึงสอนให้ละอกุศลเสียท่านทั้งหลายจงเจริญกุศลเถิดเพราะกุศลเป็นสิ่งที่เจริญอบรมได้ถ้าทำไม่ได้เราก็จะไม่สอนให้เจริญอบรมกุศลอันหนึ่งเล่าถ้ากุศลที่เจริญแล้วเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เพื่อทุกข์เราก็จะไม่สอนให้ท่านทั้งหลายเจริญกุศล แต่เพราะเหตุที่เจริญแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อสุขเราจึงสอนให้ท่านทั้งหลายเจริญกุศลพระพุทธพจน์นี้เตือนใจชาวพุทธทุกคนว่าถ้าต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์ก็ต้องละเว้นอกุศลเจริญกุศลกุศลที่ควรเจริญนั้นมีหลายอย่างหลายระดับตามนัยะแห่งสารยะกะสูตรมัชฌิมานิกายมูลปันนาฏพระผู้มีพระภาคเจ้า ตัดถึงกุศลกรรมบทสิบว่าเป็นสิ่งควรทําให้เจริญส่วนอกุศลกรรมมาบทสิบเป็นสิ่งที่ควรละเมื่อละอกุศลกรรมบทสิบเจริญกุศลกรรมบทสิบให้บริบูรณ์แล้วหวังไปสู่สุคติชั้นต่างๆได้ตามต้องการแม้จะหวังสิ้นอาสวะกิเลสก็ได้ตามต้องการการประพฤติสุจริตกายวาจาใจจึงเป็นแหล่งเกิดแห่งความสุขอีกอย่างหนึ่ง ข้อความโดยย่อในสารยกสูตรมีดังนี้ดูก่อนพรามและขหบดีทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะการประพฤติธรรมหรือธรรมจริยาและการประพฤติสุจริตหรือสมะจริยาดูก่อนพรามและขหบดีทั้งหลายธรรมจริยาสมะจริยาทางกายมีสาม ทางวาจามีสี่ทางใจมีสามธรมรมะจริยาทางกายมีสามเป็นชไหนธ ร, รมมจริยาทางกายมีสามคือบุคคลบางพวกเป็นผู้เว้นขาดจากการยังสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปหรือปานาติบาตเป็นผู้มีท่อนไม้และสัตราอันวางแล้วมีความละอายในการฆ่าสัตว์ประกอบด้วยความเอ็นดู เป็นผู้เกือ้อกูลอนุเคราะห์สัตว์มีชีวิตทั้งปวงเป็นผู้ละอทินนาทานเว้นขาดจากอทินนาทานเป็นผู้ไม่ถือเอาทรัพย์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นที่เจ้าของยอไม่ได้ให้ด้วยจิตขโมยเป็นผู้ละกาเมสุมิชฉาจารเว้นขาดจากกาเมสุมิชฉาจารนี่คือธรรมจริยาทางกายสามอย่างธรรมจริยาทางวาจาสี่อย่างเป็นไหน ผุ้คนบางพวกในโลกนี้เป็นผู้ละมุสาวาทเว้นขาดจากมุสาวาทไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นก็บอกว่าไม่เห็นไม่กล่าวมุสาวาทเพื่อตนเองเพื่อผู้อื่นหรือเพื่อสินจ้างรางวัลเล็กๆน้อยๆเป็นผู้ละคำส่อเสียดเว้นจากคำส่อเสียดไม่นำความข้างโน้นมาบอกข้างนี้หรือนำความข้างนี้ไปบอกข้างโนนเพื่อยุให้เขาแตกกัน หรือทำตนให้เป็นที่รักแต่เป็นผู้มีปกติสมานคนที่แตกกันแล้วสนับสนุนชนที่พร้อมเพียงกันเป็นผู้พอใจยินดีในสามคัคคีชื่นชมในความพร้อมเพียงเป็นผู้ละคำหยาบเว้นขาดจากการกล่าวคำหยาบเป็นผู้กล่าววาจาไม่มีโทษเสนอหูเป็นที่รักจับใจหรือหัทยังคมาเป็นคาของผู้ดีหรือปรี เป็นถ้อยคําที่พอใจของควรมากเป็นผู้ละการกล่าวเพื่อเจริเว้นขาดจากการกล่าวเพื่อเจริเป็นผู้มีปกติกล่าวในเวลาอันสมควรกล่าวคําจริงคําอาศัยอัดอาศัยธรรมอาศัยวินยัยเป็นผู้กล่าววาจาเป็นหลักฐานกล่าวตามการกล่าวคํามีที่อ้างมีที่สิ้นสุดมีประโยชน์นี่คือธรรมจริยาทางวาจาสี่อย่าง ธรรมจริยาทางใจสามอย่างเป็นชไหนบุคคลบางพวกเป็นผู้ไม่เพ่งเรงงรับเครื่องพื้มใจของผู้อื่นนึกน้อมมาเป็นของตนหรืออนาพิชชาเป็นผู้มีจิตไม่ปองร้ายหรืออภยาปาทะมีแต่จิตอันประกอบด้วยเมตตาว่าขอสัตว์เหล่านี้จงอย่ามีเวรต่อกันอย่ามีความคับแค้นอย่ามีทุกข์มีแต่ความสุขทั่วหน้าเถิด เป็นผู้มีความเห็นชอบหรือสัมมาทิฏฐิมีความเห็นอันไม่วิปริตผิดทํานองครองธรรมเช่นเห็นว่าทานที่บุคคลให้แล้วมีผลการบูชามีผลกรรมและผลของกรรมมีอยู่โลกนี้โลกหน้ามีจริงมารดาบิดามีคุณจริงสมณะพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบมีอยู่จริงเป็นต้นนี่คือธรรมจริยาทางใจสามประการ ดูก่อนพราหมณ์และขห่าวดีทั้งหลายบุคคลย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะการประพฤติธรรมและประพฤติสุจริตดังนี้แลอันหนึ่งบุคคลผู้ประพฤติธรรมและประพฤติสุจริตหากพึงตั้งความปรารถนาอยา่างใดอย่างหนึ่งว่าหลังจากขา้าพเจ้าตายแล้วขอให้ไปบังเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ความปรารถนานั้นย่อมสำเร็จได้เช่น ปรารถนาความเป็นกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลขหบดีมหาศาลเป็นเทพชั้นต่างๆทั้ง26ชั้นตลอดถึงปรารถนาความสิ้นอาสวะก็ย่อมสําเร็จได้การประพฤติธรรมมีความสําคัญอย่างนี้คือให้เกิดความสําเร็จทุกๆด้านที่บุคคลต้องการและสิ่งนั้นประกอบด้วยธรรมความสุขในโลกมนุษย์ความสุขในสวรรค์ ตลอดถึงความสุขนิรันดรคือความสุขอันเกิดจากพระนิพพานล้วนสําเร็จมาจากการประพฤติธรรมทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นพระศาสดา จ, จึงตรัสว่าการประพฤติธรรมเป็นมงคลอันหนึ่งข้อความทั้งในสาลา ย, ยกสูตรและเวรันชสูตรในมัชฌิมานิกายมูลปัญ น, นาสนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอุปนิสัยคือศีล ว่าสามารถยังสัตว์ให้บรรลุพระรหัสได้เรื่องนี้เข้าใจไม่ยากพระบุคคลที่มีสมาธิย่อมต้องมีศีลเป็นบนไดายขั้นต้นก่อนและสมาธิที่อบรมดีแล้วย่อมก่อให้เกิดปัญญาปัญญาให้เกิดวิมุตตคือความหลุดพ้นจากสรรพกิเลสคือรหัสผลนั่นเองทาเหล่านี้ย่อมเป็นปัจจัยซึ่งการละการอยู่โดยตลอด ในกรณียากรณียสูตรอังคุตริิกายทุกกรณิบาตพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าทุจริตเป็นสิ่งไม่ควรทำโดยส่วนเดียวใครทำเข้าย่อมมีโทษห้าอย่างคือ 1. ตนเองติเตียนตนเองได้ 2. ผู้รู้ใครครวรแล้วติเตียน 3. ชื่อเสียงทางไม่ดีฟุ้งไป 4. หลงทำกาลกิริยาคือตายยังไม่สงบ หาตายแล้วไปทุกติวินิบาตนรกสุดจริตเป็นสิ่งควรทำโดยส่วนเดียวทำแล้วย่อมได้รับอ น, นิสงฆ์ห้าประการคือ 1. ตอนเองติเตียนตนเองไม่ได้ 2. ผู้รู้ใคร่ควรวญแล้วสรรเสริญ 3. ชื่อเสียงทางดีย่อมฟุ้งขจรไป 4. ไม่หลงทำกาลกิริยาคือตายอย่างสงบ 5. ตายแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์โทษของผู้ทุศีลและอานิสงฆ์ของผู้มีศีลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อย่างนี้เหมือนกันทุจริตให้ผลเป็นทุกข์สุจริตให้ผลเป็นสุขข้อนี้เป็นเรื่องธรรมดาส่วนที่คนเห็นไปว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปนั้นเป็นความเห็นผิด เนื่องจากกรรมเป็นสิ่งซับซ้อนและให้ผลซับซ้อนบางคนเสื่อมทรัพย์เพราะหลอกลวงบางคนได้ทรัพย์เพราะซื่อสัตย์นี่คือโทษของทุจริตและคุณของสุจริตดังเรื่องต่อไปนี้นานมาแล้วมีพ่อค้าสองคนไปค้าขายในที่เดียวกันพ่อค้าคนหนึ่งมีนิสัยผ่านและโกงพ่อค้าอีกคนหนึ่งมีนิสัยดีซื่อสัตย์ มาถึงบ้านหนึ่งเป็นเศรษฐีเก่าตกยากอยู่กันสองคนยายและหลานสาวหลานอยากได้เครื่องประดับแต่ไม่มีเงินซื้อยายจึงเอาถาดเก่าๆมาให้พ่อค้าตีราคาถาดนั้นฝุ่นจับเครือจึงไม่เห็นเนื้อไหนว่าเป็นทองคำพ่อค้าโกงเอาไม้ขีดดูก็รู้ว่าเป็นถาดทองคำแต่เพื่ออำพรางจึงบอกยายหลานว่าถาดนั้นไม่มีราคาเลย พูดแล้วก็เหวี่ยงทิ้งไปเสียทําทีเป็นเดินออกไปเพื่อไปขายเครื่องประดับของตนในที่อื่นต่อไปเมื่อพ่อค้าโกงออกไปแล้วพ่อค้าผู้ซื่อสัตย์และใจดีก็เข้ามาเด็กหญิงต้องการเครื่องประดับเสนอถาดเก่าๆของตนแลกเปลี่ยนเหมือนเดิมพ่อค้าหยิบถาดขึ้นมาพิจารณาดูเห็นเป็นถาดทองคามีราคาสูงมากจึงบอกความจริงให้ยายหลานทราบ พร้อมกับบอกว่าทรัพย์สินที่ตนมีอยู่ไม่พอกับราคาของถาดทองคาเมื่อยายและหลานยืนยันจะขายจึงได้มอบเงินและสิ่งของต่างๆของตนเป็นจนวนมากให้ยายหลานตนถือเอาถาดทองคาไปว่าจ้างคนเจาเรือจ้างให้รีบพาตนไปฝั่งโน้นโดยเร็วฝ่ายพ่อค้าโกงหวนกลับมาทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้วเสียใจมาก ซ้ำถูกยายหลานด่าใส่หน้าอีกว่าเป็นคนโกงเขารีบตามพ่อค้าอีกคนหนึ่งไปแต่ช้าเสียแล้วพ่อค้าคนดีไปถึงกลางแม่น้ำแล้วเขาร้องให้กลับมาแต่พ่อค้าคนดีรู้ว่าถ้ากลับมาอะไรจะเกิดขึ้นจึงไม่กลัวพ่อค้าคนโกงเสียใจจนอาเจียนเป็นโลยหิตและถึงแก่ความตายอยู่ที่นั่นเองเรื่องนี้ยืนยันคาพังเผยไทยที่ว่า ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานหรือไม่ได้กินเลยอย่างพ่อค้าโกงในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเป็นคนควรซื่อสัตย์สุจริตแม้กับผู้ด้อยกำลังกว่าคนโง่จะเป็นเหยื่อของคนฉลาดก็เฉพาะกับคนฉลาดแกมโกงเท่านั้นถ้าคนฉลาดเป็นคนดีก็จะเป็นที่พึ่งของคนโง่และพยายามทำคนโง่ให้ฉลาดขึ้นหรือรู้เท่าทันคนฉลาดแกมโกง คนพวกนั้นจะกระอักเลือดตายเหมือนพ่อค้าโกรงในเรื่องนี้คติของสัตว์บุรุษกับอสัตว์บรุษไม่เหมือนกันสัตว์บุรุษนิยมความดีอสัตรบุรุษนิยมความชั่วสัตว์บุรุษหรือคนดีอุปการะมิตรแต่อสัตว์บรุษหรือคนชั่วตัดรอนน้ําใจมิตรดังตัวอย่างเรื่องต่อไปนี้เศรษฐีสองคนเป็นเพื่อนรักกันคนหนึ่งชื่อสังขะอยู่เมืองราชครื้ อีกคนหนึ่งชื่อปิริยะอยู่เมืองพาราณสีมีทรัพย์คนละแปดสิบโกฎคราวหนึ่งปิริยะเศรษฐีลงทุนทำการค้าอย่างหนึ่งขาดทุนย่อยยับหมดสิ้นเนื้อประดาตัวกลายเป็นคนขัดสนไร้ที่พำนักพักพิงจึงชวนพัญญาเดินทางด้วยเท้าไปหาเศรษฐีชื่อสังขะซึ่งเป็นเพื่อนกันอยู่เมืองราชค เมื่อถึงแล้วได้ไปยังบ้านของสังขะเศรษฐีท่านเศรษฐีเห็นแล้วดีใจกุรีกุจอ้อนรับรับรองอย่างแข็งขันด้วยความเคารพนับถือให้เกียรติในสองฐานะคือในฐานะแห่งอาคันตุ ก, กะหนึ่งและในฐานะแห่งมิตรหนึ่งล่วงไปสองสามวันจึงถามปิริยะเศรษฐีว่าเพื่อนมีธุระพิเศษอะไรบ้างในการมาครั้งนี้ อาคันตุกะตอบว่าเพื่อนเอ๋ยข้าพเจ้าประสบภัยสิ้นเนื้อประดาตัวจึงบากหน้ามหาหวังเป็นที่พึ่งช่วยอุดหนุนด้วยเถิดสังคเศรษีพอทราบดังนั้นก็ปลอบโยนเพื่อนว่าอย่าวิตกเลยข้าพเจ้าจะช่วยเหลือท่านให้ตั้งตัวขึ้นได้ใหม่ดังนี้แล้วให้เปิดครั้งแบ่งเงินให้สี่สิบกรหรือครึ่งหนึ่งของตัวนอกจากนี้ ยังแบ่งของอื่นๆอีกทั้งสวิญญาณกะกทรัพย์และอวิญญาณกะกทรัพย์อย่างละครึ่งให้ไปด้วยปิริยะเศรษฐีขนสมบัติทั้งปวงไปยังนครพารพารณสีตั้งตัวได้ใหม่ต่อมาไม่นานนักภัยทำนองเดียวกันเกิดขึ้นแก่สังขะเศรษฐีเมื่อใคร่ครวนถึงที่พึ่งของตนก็เห็นว่าเคยมีอุปการะมากต่อปิริยะเศรษฐี และบัดนี้เขาก็ตั้งตัวได้แล้วถ้าไปขอความช่วยเหลือพักพิงก็คงไม่เสียความตั้งใจเขาชวนพัญญาออกจากนกครราชครือมุ่งไปเมืองพาราณสีเดินทางด้วยเท้าอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อถึงเมืองพาราณสีแล้วสังคเศรฐีได้บอกพัญญาว่าเดินเข้าไปด้วยกันสองคนดูไม่เหมาะขอให้นางพักรออยู่นอกเมืองก่อน ค่อยเข้าไปพร้อมกับยานพาหนะอย่างดีที่ตนจะส่งออกมารับพร้อมด้วยบริวารสังคเศรษฐีหวังอย่างเต็มที่ว่าตนจะได้รับการต้อนรับอย่างดีจากเพื่อนแต่เขาคาดผิดไปถนัดเพราะพอปิริยเสถีทราบว่าสังคเศรษฐีผู้สหายมาหาเขาให้เชิญมาพบแต่ไม่ได้ลุกจากที่นั่งเพื่อต้อนรับปลาศใสาไม่ได้กระทําปฏิสันฐานเลย เอ่ยถามทีเดียวว่ามาทำไมข้าพเจ้ามาเพื่อพบท่านสังเเสรถีตอบได้ที่พักที่ไหนที่พักยังไม่มีแม่บ้านมาด้วยเวลานี้ข้าพเจ้าให้เธอพักอยู่ที่ศาลาหน้าเมืองสังคเสรถีพูดเป็นทํานองเรียบเคียงขอที่พักอาศัยปิริยะเสถีเข้าใจความประสงค์นั้นจึงกล่าวว่าที่พักที่นี่ไม่มี แต่ข้าพเจ้าจะให้อาหารให้ท่านไปหูวงต้มกันเองในที่ใดที่หนึ่งสุดแล้วแต่ท่านจะชอบใจและจะได้มาพบเราอีกเขาสั่งทาทให้มอบข้าวรีบจำนวนหนึ่งห่อชายผ้า ข, ของสังคาเศรษฐีไปความจริงวันนั้นปิริยาเศรษฐีให้คนฝัดข้าวสาลีแดงไว้ตั้งพันเกวียนใส่ยุ่งข้าวไว้เต็มอีกประการหนึ่ง เขาเคยได้รับอุปการะจากสังคเสถีเมื่อคราวตกยากไปแล้วอย่างดีแต่กระนั้นเขาก็ยังอากตันอยู่เป็นมหาโจรอันน่ารังเกียจให้ข้าวรีบเพียงตุมพระเดียวเท่ากับสี่ธนานแก่เพื่อนได้สังคเสถีโพธิสัตว์ทราบเรื่องนี้แล้วคิดว่าผู้นี้เป็นอาสัตว์วรุษได้ทรัพย์สี่สิบโกรจากเราเมื่อเรามาหา สั่งให้ให้ข้าวรีบตุมพระเดียวแก่เราเราควรรับหรือไม่หนอถ้าเราไม่รับก็เป็นการทำลายมิตรภาพถ้าเรารับข้าวรีบที่เขาให้ก็จะสามารถดำรงมิตรภาพไว้ได้ดังนี้แล้วห่อข้าวตุมพระหนึ่งนั้นด้วยชายผ้าลงจากปราสาทไปสู่สลาหน้าเมืองพัญญาเศษฐีได้ทราบเรื่องนั้นแล้วร้องไห้กล่าวว่าท่านรับของเขามาทาไม มันควรกับทรัพย์40สบโกรและสวินญาณกะทัพย์อวิญญาณกะทัพย์ อ, ญญอย่างละครึ่งที่เราให้แก่เขาหรือเพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยแห่งพระโพธิสัตว์เศรษฐีจึงกล่าวว่าคนเขาทําลายไมตรีเสียเพราะไม่ยอมรับสิ่งของเล็กๆ น, น้อยๆเพราะเหตุที่เราไม่อยากทําลายมิตรภาพจึงยอมรับข้าวเล็กน้อยที่เขาให้ ขณะที่พัญญาเศรษฐีร้องไห้คร่ำควรวญอยู่นั่นเองทานคนงานที่สังคเสรฐีให้ปิริยะเศรษฐีมาตั้งแต่สมัยโน้นเดินผ่านมาได้ยินเสียงพัญญาของท่านเศรษฐีร้องไห้คร่ำควรวญอย่างนั้นจึงถามทราบความตามที่เศรษฐีเล่าให้ฟังแล้วเศร้าสลดใจจึงปลอบว่านายอย่าเสียใจคร่ำควรวญนักเลยพวกผมจะเลี้ยงนายเอง ดังนี้แล้วพาไปยังเรือนของตนให้อาบน้ําหอมให้บริโภคอาหารเรียกพักพวกมาประชุมกันประกาศให้ทราบว่านายของตนมาแล้วพวกเขาปฏิบัติบา ร, รุงเศรษฐีนายเก่าของตนอย่างดีล่วงไปสองสมวันพอให้เศรษฐีหายอ่อนเพลียแล้วจึงเข้าเฝ้าพระราชากราบทูลเรื่องของสังฆาเศรษฐีและปิริยาเศรษฐีให้ทรงทราบ พระราชารับสั่งให้เศรษฐีทั้งสองเข้าเฝ้าตรัสถามถึงอุปการะที่สังขาเศรษฐีให้แก่ปิริยะเศรษฐีและตรัสถามถึงปฏิการะที่ปิริยะให้แก่สังขาเพียงข้าวสี่นานแต่ปิริยะไม่กล้ากราบทูลอะไรคงนั่งนิ่งอึง้งพระราชาทรงทราบความจริงแล้วตรัสถามพวกอำมาตมนตรีว่า ควรทำอย่างไรแกปิริยาเศรษฐีอามาดมนตรีกราบทูลว่าควรยึดทรัพย์สมบัติทั้งหมดของปิริยาแล้วมอบให้แกสังฆาแต่สังฆาเศรษฐีกราบทูลว่าตนไม่ต้องการทรัพย์ของผู้อื่นต้องการเพียงทรัพย์ของตนคืนเท่านั้นพระราชาจึงสั่งให้มอบทรัพย์เท่าจานวนที่สังฆาเศรษฐีเคยให้แกปิริยะเศรษฐีมาคืนแกเขาทั้งหมด เศรษฐีนั้นได้ทรัพย์และบริวารแล้วกลับสู่นครราชครื้นทำบุญให้ทานตามอัธยาศัยของตนในเรื่องนี้มีข้อคิดหรือคติอยู่หลายอย่างเช่นหนึ่งคนดีเช่นสังขาเศรษฐีก็มีเวลาตกยากเหมือนกันแต่คนดีจริงมักจะตกยากไม่นานมักจะมีผู้ช่วยเหลือให้พ้นทุกข์เพราะคนดีได้ช่วยเหลือคนอื่นมามาก อันนี้สงนั้นย่อมมาสนองตนเมื่อคราวขับขันสองคนอักตันยูเมื่อได้รับสงเคราะห์เอื้อเฟื้อจากผู้อื่นแล้วเมื่อถึงคราวจะต้องสงเคราะห์ตอบแทนบ้างก็มักเฉยเสียไม่ยอมทําเป็นผู้ตัดรอนมิตรตัดรอนอุปการะที่ผู้อื่นทําแก่ตนฉะนั้นจะหวังอะไรจากคนอักตันยูนักไม่ได้ส คนต่ำต้อยเช่นทาสละกรรมกรซึ่งเราเคยอุปการะมาด้วยดีนั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นเขาก็เป็นที่พึ่งของเศรษฐีได้เหมือนกันฉะนั้นจึงไม่ควรดูหมิ่นผู้ต่ำต้อยว่าไม่เป็นประโยชน์แก่ตนดูแต่เรื่องราชสีกับหนูในนิทานนั่นเถิดหนูยังช่วยให้ราชสีปลอดภัยได้ 4. พระราชาที่ทรงธรรมย่อมเป็นที่พึ่งของผู้มีทุกข์ การสนับสนุนผู้มีธรรมให้ครองเมืองจึงเท่ากับการช่วยเหลือตนเอง 5. สตรีเช่นภรญญาของเศรษฐีเมื่อได้รับการตอบแทนอันไม่สมควรแก่อุปการะที่ตนเคยทําให้แก่ผู้อื่นก็ไม่ยอมรับการตอบแทนเช่เลยส่วนผู้ชายมักไม่เคยทําอย่างนั้นมักจะทําอย่างที่สังขาเศรษฐีทําบางคนได้รางวัลเพราะซื่อตรง บางคนเสื่อมจากรางวัลเพราะไม่ซื่อตรงดังเรื่องต่อไปนี้ในอดีตการอาจารย์ที่สาปามโมกต้องการมอบลูกสาวของตนให้แก่สิทธิ์คนใดคนหนึ่งแต่สิทธินั้นต้องเป็นผู้มีศีลเมื่อหาอุบายอย่างหนึ่งได้แล้วจึงให้สิทธิ์ทั้งปวงมาประชุมกันและบอกว่าจะจัดการแต่งงานบุตรีแก่มานพคนใดคนหนึ่ง แต่อยากได้ผ้าและอลังการเพื่อบุตรีก่อนขอให้มานบแต่ละคนไปขโมยผ้าและเครื่องอลังการของพ่อแม่หรือญาติพี่น้องมามานบเหล่านั้นรับคำแล้วพากันไปขโมยผ้าและเครื่องอลังการของพ่อแม่ญาติพี่น้องมาแต่มานบคนหนึ่งกลับมามือเปล่าไม่ได้อะไรมาเลยเมื่ออาจารย์ถามจุเรียนให้อาจารย์ทราบว่านัตถิโลเกรโรหันามะ ปาปกก ร, รมมังปกักขุภโตปัดสันติวนภูตานี้ตั้งพาโลมัญเตระโหหังระโหนปัดสามิสุญยางวาปีนวิชติยัตหาสุญยงนปัดสามิอสุญยางโหติตังมายาที่รับสำหรับผู้ทาบาปกรรมไม่มีในโลกนี้คนพานเข้าใจว่าป่าเป็นที่รับแต่ในป่าก็ายังมีคนเห็น ข้าพเจ้าไม่เห็นที่ลับหรือว่าที่ว่างเลยที่ใดว่างจากคนอื่นที่นั้นก็ยังไม่ว่างจากตัวข้าพเจ้าเองความลับจึงไม่มีในโลกอาจารย์ที่สาปาโมุกได้ฟังดังนั้นแล้วเลื่อมใสชอบใจในคําของพระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่ามานพเออยศัพย์สมบัติในเรือนของเราจะไม่มีให้บุตรก็หามิได้แต่เราทําอย่างนั้นเพื่อทดลองศีลของพวกเจ้า ที่ดาของเราเหมาะสมกับผู้มีศีลมีสัตว์เช่นเธอส่วนมานพื่ออื่นๆจงเอาของที่ขโมยเข้ามาไปคืนให้เจ้าของเสียมานผู้เป็นบัณฑิตได้สตรีสาวที่ดาของอาจารย์เพราะเป็นผู้มีศีลมีสัตว์ผู้ที่จะเป็นพ่อตาแม่ยายในสมัยนี้น่าจะทดสอบหนุ่มที่มาติดพันลูกสาวหลานสาวของตนบ้างโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง เพื่อได้คนดีมีศีลวีสัตว์มาเป็นลูกเขยหรือลูกสะพ้ายดังเช่นเศรษฐีทดสอบหญิงที่จะมาเป็นลูกสะพ้ายในอนาคตของตนโดยตั้งปัญหาว่ามีปลาอยู่ตัวหนึ่งทำอย่างไรจึงจะให้กินได้ตลอดปีบางคนตอบว่าให้ทำเป็นปลาเค็มไว้เป็นต้นมีสตรีคนหนึ่งเป็นผู้ฉลาดตอบว่า เมื่อแกงปลาตัวนั้นแล้วควรแบ่งไปให้เพื่อนบ้านบ้างตามสมควรเมื่อเราให้เขาเมื่อเขามีอะไรก็นึกถึงเราเอามาให้เราบ้างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเป็นทางส ม, มานไมตรีต่อกันพระปลาตัวเดียวอันเป็นเครื่องเชื่อมโยงนั้นทำให้มีสายสัมพันธ์กันต่อไปไม่สิ้นสุดอาจปีสองปีสมปีหรือตลอดชีวิตก็ได้ เศรษฐีพอใจในคำตอบของเธอจึงสู่ขอมาเป็นลูกสะพ้ยของตนส่วนสตรีอื่นๆสอบตกหมดขอกล่าวไว้ที่นี้ด้วยว่าการนำคนเข้าสู่สกุลและการไปเข้าสู่สกุลเนื่องโดยการแต่งงานนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเคยหรือสะพ้ยที่เข้ามาใหม่ทำให้พ่อแม่พี่น้องแต่กันมาม า, มากต่อมากแล้วบางราย เขยหรือสะพ้ายไม่ดีบางรายเขยสะพ้ายดีแต่พ่อแม่พี่น้องของสกุลนั้นไม่ดีก็คงเข้ากันไม่ได้อยู่นั่นเองต้องทนอยู่กันไปอย่างผืออืดผืออมเหมือนลงไปในทะเลคว้าเอาคองูเข้าจะกอดไว้ต่อไปก็สอิดสีเอียนจะปล่อยก็กลัวมันกัดบางรายที่มีความอดทนน้อยไม่สามารถอมปากอมคำไว้ได้ ต้องทะเลาะลูกลามใหญ่โตออกไปถึงกับตัดญาติขาดมิตรและเลือกร้างกันไปก็มีเดือดร้อนที่คนกลางจะถือข้างญาติก็เสียสามีหรือพัญญาจะถือข้างสามีหรือก็ต้องเสียญาติแต่ในที่สุดก็ต้องเลือกเอาข้างใดข้างหนึ่งผู้ชายที่แต่งงานใช่ว่าได้หญิงคู่ครองดีแล้วจะมีความสุขก็หาไม่ถ้าญาติญาติของพันยาไม่ดี และมีความจาเป็นต้องไปอยู่ร่วมกันหรือใกล้กันไม่ได้ต้องมีเรื่องเดือดร้อนยิ่งผู้หญิงเข้าสู่สกุลผู้ชายถ้าเข้ากันไม่ได้กับญาติญาติของฝ่ายชายเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งก็ยิ่งเดือดร้อนหนะักคนโบราณท่านรู้เรื่องนี้ดีท่านรอบคอบท่านจึงพยายามสอบสวนทวนต้นชนปลายเรื่องตระกูลของฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงก่อนที่จะให้รูปแต่งงานอันหนึง่งมนุษย์เรา ใครจะเชื่อหรือไม่ก็ตามมีเรื่องประหลาดอยู่อย่างหนึ่งคือมีทั้งาธาตุที่เข้ากันไม่ได้และเข้ากันได้ถ้ า, าธาตุเข้ากันได้ก็นิยมชมชอบกันได้อย่างรวดเร็วดื่มด่ำในอัธยาศัยของกันและกันทำอะไรพูดอะไรก็ถูกอ ก, ถ, กถูกใจแต่คนที่ทาธาตุเข้ากันไม่ได้มันให้รู้สึกขวางหูขวางตาไปหมดทําอะไรก็ไม่ถูกใจพูดอะไรก็ไม่ถูกหู ทำความดีให้ก็รำคาญถ้าอย่างนี้คืนอยู่ร่วมกันต่อไปก็รังแต่จะสร้างเวรให้แก่กันแม้ไม่ทางกายทางวาจาก็ทางใจเดินทางผิดพอรู้ตัวก็กลับเดินให้ถูกได้ปลูกเรือนผิดคิดดัดแปลงแก้ไขได้แต่การเข้าสู่สกุลผิดทําให้ต้องเสียอนาคตไปทั้งชีวิตทีเดียวการแต่งงานมีทั้งคุณและโทษ บางคนแต่งงานสร้างอนาคตบางคนแต่งงานทำลายอนาคตแต่การแต่งงานจะเป็นอย่างไรก็ตามคนที่ยังไม่แต่งงานก็อยากแต่งแทบทุกคนคนที่แต่งแล้วอยากเลิกแต่เลิกได้จริงหรือพอเลิกไปสักพักหนึ่งก็อยากแต่งอีกนึกว่าคราวนี้จะเลือกให้ดีที่สุดแต่ส่วนมากก็จะไม่ได้อย่างใจนึก เรื่องคนในอยากออกคนนอกอยากเข้ามีอยู่เสมอไม่หมดสิ้นไปได้ย้อนกล่าวถึงเรื่องอาจารย์ที่สาปามวกทดสอบหาลูกเขยเรื่องที่มีศีลธรรมมาเป็นลูกเขยแล้วทําให้คิดต่อไปว่ารัฐบาลจะรับคนเข้าทํางานราชการน่าจะคิดวิธีทดสอบความซื่อสัตย์กันบ้างไม่เพียงแต่สอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์ในทางวิชาการอย่างเดียว ถ้าเราได้คนที่ซื่อสัตย์เข้าไปทำงานมากๆประเทศชาติคงจะเจริญไปได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในเวลานี้ถ้าเข้าไปสุจริตจะไปหัดโกงเอาภายหลังเมื่อเห็นตัวอย่างรุ่นพี่พีเข้าโกงกันก็โจนใจ